เอาเวลาที่เหลือประมาณ15นาทีใครจะถามปัญหามีไหมมีไม่มีมีปัญหาไหมขออนุญาตถามคำถามตามที่ได้กันกรองมาจากนักศึกษาอันเนื่องมาจากว่าตัวของผู้พูดเองเนี่ยครับก็ได้คลุกคลีอยู่กับ ชาวพุทธที่จะเรียกว่าเป็นชาวพุทธในกลุ่มลาคย่าหมายความว่าเป็นชาวพุทธที่แสวงหาในทางไม่ว่าจะเป็นการศึกษาปริยัติหรือการปฏิบัติธรรมก็ตามดังนั้นคำถามเหล่านี้จึงเป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนคำถามโดยส่วนใหญ่ขออนุญาตกล่บเปลี่ยนถามพระอาจารย์ดังนี้ค่ะปัจจุบันนี้มีคำสอนในแง่ของปริยัติ และคำสอนในแง่ของปฏิบัติมากมายเราจะมีวิธีอย่างไรในการที่จะป้องกันตนเองเพื่อที่จะได้ทราบว่าทั้งปริยัตนั้นและปฏิบัตินั้นเนี่ยสามารถที่จะนำมาถือไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติแก่ตนเองได้เจ้าค่ะมีวิธีในการที่จะตรวจสอบคำสอนทั้งปริยัตและปฏิบัตินั้นอย่างไรตามสังคมปัจจุบันที่เป็นอยู่เจ้าค่ะ ถ้าอขออนุญาพอนะว่าในกรณีการตรวจสอบคําสอนโดยเฉพาะในส่วนของพระปริยัตินีนะ้นพระวินัยยาปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระพิธรรมปิฎกพระบระมาศา ส, าสดาทรงทรงประกาศไว้ดีแล้วที่บอกศีลเป็นความงามในเบื้องต้นก็คือพระวินัยนั่นเองพระวินัยนั้นเป็นความงามในเบืออนะเเบ้องต้นใช่ไหมพระสูตรก็เป็นความงามในท่ามกลาง และภาพพิธามก็เป็นความงามในที่สุดก็คือสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาชาพุทธเนี่ยหลักตรวจสอบคำสอนของพระาศาสดาคือพระาศาสดาวางหลักไว้หมดฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าใช้ในด้านของภาพรปริยัติเนี่ยนะบุคคลที่กล่าวผิดเพี้ยนจากคำสอนของพระาศาสดาก็จะมีภาพรปริยัติธรรมนั้นเป็นหลักตรวจสอบ เป็นหลักคําสอนที่พระ อ, องค์ทรงวางหลักไว้และแม้ในสูตรต่างๆตอนที่พระบรมศาสดาจากปรินิพานพระศาสดาก็จะแสดงหลักการตัดสินพระธรรมวินัยไว้ในมหาประเทศทำเราใดเป็นไปเพื่อความออไม่เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดทำเราเลยเป็นต้นเนี่ยนะทำเราใด ถ้าทําคําสอนของพระศ า, าสดาจะต้องเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดเป็นไปเพื่อความปล่อยการละการวางต่างๆนี่ซึ่งหลักคําสอนพระศ า, าสดาก็จะวางหลักตรวจสอบเขาไว้นั่นในส่วนของปริยัติทีนี้ในส่วนปริยัติก็ประเด็นว่าถ้าเราไม่ทราบคําสอนที่ถูกต้องก็ตรวจสอบจากท่านผู้รู้ เ, เราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้รู้นี่นะแล้วก็ ตรงๆเหล่านี้ก็คือว่าหนึ่งผู้ศึกษาเออชาวพุทธของเราดังที่ได้บอกไว้ว่าพระศ า, าสดาก่อนจะบริญนิพพานพระศ า, าสดามั่นใจบริษัทของท่านว่าจะตั้งมั่นในปริยัติศาสนาคือในพุทธวจนะก็คือชํานาญในคําสอนในส่วนของภาคปริยัติในคําสอนเน่ยชัดเจนทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยบริษัทเนโดยเฉพาะอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัท อาจจะต้องหมกมุ่นกับการงานอย่างอื่นไม่มีเวลาในการตรวจสอบชนี้เราก็ต้องมาเกี่ยวกันในเรื่องว่าแต่เราก็จะต้องพอมีฐานข้อมูลในการที่จะศึกษาสิ่งที่ผิดถึงที่ถูกไว้บ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นชาวพุทธก็คือว่าในส่วนของพระวินัยที่เป็นข้อคารวะควรรู้ก็ต้องรู้ในส่วนของพระสูตร ที่ควรทราบนะีหลักการที่สําคัญก็ต้องทราบแม้ในส่วนของพระพิธรรมซึ่งเป็นหลักของสภาวะต่ า, างๆก็จะต้องเรียนรู้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีระบบที่ไม่ใช่ต้องสืบค้นทั้งหมดได้อาศัยครูดีอาศัยอาจารย์ดีเนี่ยท่านเหล่านั้นจะสามารถสรุปคําสอนให้เป็นแนวทางแห่งการที่จะเรานั้นเป็นมาศเป็นหลักการในการที่ตรวจสอบคําสอนว่าสิ่งนี้ถูกลรือสิ่งนี้ไม่ถูกเป็นต้นได้ นในในยุคนี้ก็ไม่ค่อยมีประเด็นต่างๆเหล่านี้ขอให้เราตรวจสอบในพระไตรปิฎกอัตกถาและดีกาก็จะได้คำตอบพอสมควรจากท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านนั่นแต่ว่าต้องดูด้วยนะที่เราบอกว่าท่านผู้รู้เนี่ยต้องดูด้วยนะว่าท่านรู้แล้วเนี่ยท่านมีอคติในใจไหมบางท่านอาจจะแม้เก่งชำนาญในพระไตรปิฎกอัจฉริดีกาพอสมควร แต่ด้วยการที่ทิฏฐิที่ผิดพลาดอันนี้ก็ต้องระวังใช่ไหมบางท่านไปถือครูถืออาจารย์เป็นหลักยิ่งใหญ่กว่าพระเทเจ้าเสียแล้วเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ของตนเองที่นับถือมาบอกกล่าวสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เกรงใจครูอาจารย์ของตนเองก็ไม่กล้าเอาคำสอนในพ ร, ระไตรปิฎกอักขระฐานดี ก, า, กามาเปิดเผยอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่เหมือนจะแตกฉานแต่ก็ไม่ แต่ฉันว่าเกรงใจอาจารย์แต่ไม่เกรงใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า น, นี่นะอันนี้ก็ต้องพยายามไว้ว่าเนี่ยตรงนี้หลักตรงนี้สำคัญนี่นี่จุดหนึ่งั้นถ้าหลักเนี่ยหลักประยัดที่หลักปฏิบัติพอพูดถึงในเรื่องของหลักปฏิบัตินะว่าเออในกรณี่งหลักปฏิบัติเนี่ยเราเทียบเชียงยังไงในชั้นของการปฏิบัติเนี่ยในชั้นของศีล สมาธิและปัญญาเนี่ยต้องไปด้วยกันอย่าไปหลงประเด็นว่าการการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราเนี่ยถูกกรอบการการให้ปฏิบัติเนี่ยว่าต้องมีกรอบเดียวคือการเข้าห้องกรรมฐานไงเราไปคิดว่าการเข้าห้องกรรมฐานอย่างเดียวคือเป็นการปฏิบัติ ถ้าเดินออกจากห้องกรรมฐานแล้วไม่เรียกปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วเราไปล็อกเวลาว่าเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นไปจัดตารางการปฏิบัติแล้วก็จะเขียนเวลานี้สวดมนต์ไม่ใช่ปฏิบัติเนาะเพราะสวดมนต์ว่างเวลานี้นั่งกรรมฐานเออตอนเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยปฏิบัติแล้วนี่เนาะไปเข้าใจแบบเนี้ย เวลานี้พักฉันอาหารเอรับประทานอาหารอันนี้ไม่ปฏิบัติแล้วเวลานี้พักผ่อนเปี่ยนพักผ่อนอิยาบทหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนีเวลานี้หยุดการปฏิบัติแล้วเราเข้าใจอย่างงี้หมดเลยเราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นพักพักเข้าใจใช่ไหม เ, เวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติเราไปคิดอย่างงี้ไงถามว่ากิเลสในใจมันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเละมันมั น, ม, นมันพักกับเราไหมมันพักไหมโอ้ยท่านนี้กําลังปฏิบัติมายังอุ่นๆเลยอย่าไปเกิดใน ใ, นใจมั้ยได้ไหมไม่ใช่เลยพระในสมัยครั้งทศกัณฐอุ ภิกษุภิกนิยบสุบาสบาิกาท่านถือการปฏิบัติทุกอย่างการปฏิบัติของท่านมีทุกเรื่องพระในเดินบิน บ, บาตเนี่ยเขาเรียกว่าคตาปัจจากติกวัดวัดในการถือกรรมฐานตลอดท่านถามว่าแม้ท่านเดินทางมาเนี้ยถ้าท่านทิ้งกรรมฐานท่านพลาดเองเนีและในขณะกล่าวพระธรรมนั้น ที่กล่าวพระธรรมอยู่จะไม่ชื่อว่าเป็นกรรมฐานไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะท่านมนานสิการเรื่องที่กล่าวที่เป็นไปกับคําสอนของพระศ า, ส, าสดาอยู่ถ้าเราดูในวิมุตตายตนาห้าเขตแถึงการหลุดพ้นน่ยมีห้าฟังธรรมจากพระุทธเจ้านี่ยคือการปฏิบัตินนเนี่ยนะจากสาวกพพุทธเจ้าแสดงธรรมที่เป็นไปกับ ที่สรุปลงอริยสัจสีเนี่ยนั่ น, นปฏิบัติกำลังเดินอยู่แล้วสาธยายธรทรำสาธยายธรรมอย่างที่เราสวดเนี่ยสาธยายเนี่ยเอาถ้าสวดบอกว่าเอวามิสุตังเอกังสมายังบากาวาบาราณสิยังวิหารตีอิสิปัตนเนมิกระไาเอ ตัตรโคบากาวาปัญญาวกคีเยพิคูอามันเตศีพอขึ้นว่าโดยเมพิกะเวอันตาปะปิจเตนานาเซวิตาภากะตเเมถุยตามลำดับเนี่ยนะถ้าสวดไปตามลำดับเนี้ยนั่นแหละการปฏิบัติท่านกำลังเดินอยู่นะเพราะท่านรู้อัฏถารู้พยัญชนะเข้าถึงเนื้อความนั้นอย่างลึกซึ้งใช่ไม การปฏิบัติก็เรียกสาทยายบรรลุได้ย่างเยอะแยะไม่ใช่เราแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วก็เอาไปตรึกฟังมาเรียนมาใคร่ควรมาอย่างดีก็ใคร่ควรตามสูตรตามคำสอนตามลำดับบรรลุได้แล้วก็กรรมฐานสาสบ มีอาณาปานะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งไปใคร่ควรหรือพุทธคุณทั้งหลายใคร่ควรไปบรรลุได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขล็ดแห่งความหลุดพ้นห้าประการถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจเหลยเข้าใจว่าเออเราจะตรวจสอบหลักการปฏิสอนเรื่องปฏิบัติยังไงพอเราเรียนมาดีศึกษามาดีเป็นเครื่องวัดไหม จะเป็นเครื่องวัดอ๋อปฏิบัติเป็นอย่างนี้การหลีกเล้นก็ต้องเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและต้องได้ข้อมูลที่สําคัญที่สุดต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยข้อมูลเช่นเราจะเดินพุทธคุณและเชื่อมโยงวิปัสสนาอย่างไง <_ problème> เดินพระธรรมคุณ <_ millenn ium> เชื่อมโยงต่อวิปัสสนาอย่งไรเดินพระสังฆคุณเชื่อมโยงต่อวิปัสสนาอย่างไง เดินศีลานุสติเชื่อมโยงต่อวิปัสสนาอย่างไงเดินจาคานุสติเชื่อมโยงต่อวิปัสสนาอย่างไงนี่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสติปัฏฐานหมดนะอย่างเงี้ยเราต้องมีความเข้าใจเชื่อมโยงได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยนั่นชาวพุทธตรงเนี้ยเราเชื่อมวินัยบิดกพระสุตันตบิดกพระวิชามบิดกดไม่ได้งไงพอเชื่อมไม่ติดแล้วเนี่ยการปฏิบัติเลยเป็นตอนเลยศีนเอาไว้ต่างหาก เราสมาธิปัญญามาก่อนเป็นไปได้ไหมการปฏิบัติจะตั้งอยู่บนฐานของความทุศีลได้ไหมไม่ได้เลยสมมุติอามาเนี่ยนะศีลไม่รักษาแล้วข้อวัดที่พระศ า, าสดาบอกไว้ไม่เอาแล้วเดี่ยวมาเข้าห้องกรรมฐานศีลเกิดเองเนี่เป็นไปได้ไหมได้ไม่ได้โยมก็ไม่ได้ยมไม่รักษาศีลเลยอยู่ๆไปเข้าห้องกรรมฐานโตมเงี้ยจะมายัางไง ถ้าไม่เข้าใจเรื่องศีลแล้วศีลเกิดยังไงศีลก็เกิดไม่ได้เนี่ยลำดับแห่งการปฏิบัติต้องชัดลำดับแห่งการปฏิบัตินั้นคือการสามารถสรุปคําสอนออกมาได้แล้วเดินสู่การปฏิบัติได้ถูกต้องพอจะเข้าถึงปฏิเวทะเออพอจะตอบประเด็ น, นคําถามถูกไหมเออหมดประเด็นนี่ยังหมดเลยเนีครบทวนแล้วก็เป็นการตอบ ในคำถามที่จะได้ถามต่อไปก่อนหน้านี้แล้วจึงได้ขึ้นบนกระดานให้แล้วนะคะว่าจะเดินพุทธคุณอย่างไรให้ถึงวิปัสสนาพระอาจารย์ก็ได้กรุณาตอบแล้วซึ่งจะมีคำถามนี้อยู่นี้ด้วยค่ะอีกประการหนึ่งนะคะในแง่ของการเจริญพุทธคุณก็ตามในแง่ของการเจริญอนุสติต่างๆก็ตาม เรายังไม่สามารถเราในเหมือนหมายถึงผูง้ พ, พูดด้วยนะคะไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงให้ถึงนิพพานาได้ในโอกาสข้างหน้าถ้าเป็นไปได้จะได้มีโอกาสกราบเรียนกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้กรุณามาต่อเชื่อมตรงนี้ให้กับลูกศิษย์ณที่นี้ด้วยเจ้าคะ่ะในเรื่องนี้พวกเราเห็นว่าอย่างไรคะยังก็นิมนต์พระอาจารย์ด้วยตนเองด้วยค่ะ คือคือคือเรื่องเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่ า, าในสมัยครั้งพุทธกาลแม้หลังครั้งพุทธกาลแม้ในยุคลังหลังมาตามลาดับเขาเจริญพุทธคุณแล้วก็เดินสมถะต่อวิปัสสนาบรรลุกันเยอะแยะหมดเลยนับไม่ได้แต่มายุคหลังเนี่ยเราไม่ยอมเอาพุทธคุณซึ่งเป็นคุณของพระศาสดาเป็นกรรมฐานเชื่อมโยงการปฏิบัติ ให้ได้เป็นกิจารักษณะนี่ก็ทิ้งไปแล้วเห็นไหมนี่ก็ทิ้งไปแล้วนี่แหละคือคือจุดจุดที่ชาวพุทธจะต้องเข้าไปสืบค้นแล้วก็จะต้องเดินตามคําสอนของภาษาสดาใช่ไหมให้ได้เพรา ะ, ระแม่ของภาษาลีบุตรก็เดินพุทธคุณบรรลุไม่ดูแค่ตันหนึ่งตัวอย่างก่อนนี้อีกเยอะหมดอีกเยอะหมดให้เขาเดินพุทธคุณ ถ้าไปดูในเอกการนิบาศเนี่ยทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ททำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตัดสรู้เป็นไปเพื่อปรินิพานธ์ทำอย่างหนึ่งคื อ, อะายคือพุทธานุสติเป็นต้นเห็นหั้มเนี่ยเราไม่เคยเอามาร้อยเลียงให้เป็นบันไดแก่การเดินสู่การแทงตลอดสัจจะตามความเป็นจริง พุทธานุสติเป็นสติปัฏฐานซึ่งเราก็ไม่ทราบกันใช่เป็นสติปัฏฐานอยู่ในหมวดของธรรมานุปัสสนาเป็นต้นด้วยเชื่อมโยงเข้าธรร ม, มาก็ได้ธรรมานุปัสสนานี่เราก็ไม่ทราบไงใช่ไหมเราเลยไปจัดแผนากากรรมฐานไว้ต่างหากเราไปเข้าใจว่าสติปัฏฐานเป็นวิปัสสนาอย่างเดียว แท้จริงสมถาวิปัสนาต้องเชื่อมโยงกันเอางี้องค์มาร์เนี่ยยอมนะบอกข้าวๆตรงนี้นิดนึงนะแล้จะได้ไปคิดสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมถะเป็นสมถะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปะเป็นวิปัสนา องมักแปดก็คือศีลสมถะและวิปัสนาอย่าแยกใครแยกองค์มักออกคนคนนั้นไปฉีกมากของพรุทธเจ้าเขาจะว่าเขาใจอย่างการเจริญเป็นอย่างนี้อย่าไปฉีกองค์มักของพระศาสดาศีล ส, สมถะและวิปัสนาต้องไปด้วยกันไหมไปด้วยกันต้องไปด้วยกันอย่าฉีกองค์มัก อันนี้หมดมีปัญหานนเพลินค่ะพระอาจารย์ขอคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการที่จะทำให้พระละและอินทรีสีตั้งมั่นเจริญในใจเพื่อที่จะเป็นการหล่อหลอมแล้วก็เตรียมในเรื่องของการที่จะเข้าสู่การปฏิบัติในแง่ของพุทธานุสติตามที่พระอาจารย์ได้กรุณาแสดงให้พวกเราทราบเจ้าค่ะหมายถึง หมายถึงการที่จะทำให้พละอันยิง่งอันได้แก่ศรัทธาพละเป็นต้นเจริญเพื่อที่จะน้อมใจให้เข้าสู่การเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเจ้าข่าวปัญหาถามสั้นได้ตอบยาวเพราะว่าคือคือพละเนี่ยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาใช่ไหม ตัวอินทรีย์กับตัวพระที่พร ะ, พระศ า, าสดาทรงแสดงไว้เนี่ยถ้ามาพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของพระห้าคำว่าพระเนี่ยมาจากคำว่าปฏิปักษเขพระยันตีตพรารณีเนี่ยคำว่าย่อมครอบงำซึ่งปฏิปักษ์ธรรมเ น, เนี่ยชื่อพระในชั้นของความหมายเนี่ย ท่านให้ความหมายว่าพระเนี่ยนะเพราะอาจว่าทําให้เจอกับศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์แล้วก็ตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวศรัทธาพระวิริยะพระสติพระสมาธิและปัญญาพระถ้าไ ป, ปเผชิญหน้ากับศัตรูแล้วเนี่ยพระเหล่านี้ก็จะตั้งมั่นแบบไม่หวั่นไหวทาทั้งห้าประการคือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นกําลังเนี่ยนะเช่นเดียวกับอินทรีย์ ฉะนั้นพละทั้งห้าเนี่ยจึงเป็นเสนาบดีห้าประการข อ, ของของครือส่าและบรรพชิตในพุทธศาสนาฉะนั้นถ้าเราต้องการอยากจะจะเข้าถึงมีเสนาบดีนะประดับอยู่ในในใจก็เอาศรัทธาภละมาประดับอยู่วิริยะภละสติพละสมาธิและปัญญาพละเนี่ย ให้มาประดับอยู่ในกระแสะของความคิดฉะนั้นเชื่อว่าตอนนั้นเป็นมีเสนาวดีทั้งห้าแล้วถามว่าคนที่มีเสนาวดีอ่ะจิตที่มีเสนาวดีห้อมล้อมอสมมุติโอมาจิตเหมือนพระราชาศรัทธาพระละเวริยพระละสติพระล ะ, ส, ะสมาธิปัญญาพระละเป็นเสนาวดีถามว่าวางแผนการรบชนะทุกครั้งไหม เนี่ยที่ผ่านมาในสังสารวัตเพราะเราไม่มีเสนาวดีห้าตัวนี่แหละเราจึงวางแผนการลบกับแพ้มาตลอดเลยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมอีกพระธรรมอีกใช่ไหมทำรรที่เป็นพระรรอีกแล้วคิดว่าเราจะไปสู้กับราคาโทสะโมหามานะทิถิวิจิกาหีริกาโนตตปะสู้กับบาปกุศลธรมรมลามาคิดว่าเราจะสู้ไหวไหมเพราะเราไม่มีพระธรรม ไม่มีพลธรรมไม่มีเสนาบดีห้าประการของคณะหัตถบัณฑิตชาวโพสเพื่อทำลายเมืองเมืองในที่นั้นคือเมืองสักยะทิฐิคือความเห็นผิดเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเมืองนี้เราทำลายเขาไม่ได้สักทีเนี่ยที่ผ่านมาถามว่าตอนนี้เป็นผมของเราขนของเราเล็บของเราหมดเลยนะ ตาของเราหูของเราปากของเราลิ้นฟันของเราถ้าง่วงนอนเป็นของเราไหมเป็นไม่เป็ น, ปนถ้าง่วงเ now ง่วงนอนใครง่วงนอ น, เ, นเราก็ง่วงนอนอีกแล้วเนี่ยนะเ น, นี่ถามว่าง่วงนอนเนี่ยขาดพุทธรรมข้อไหนตอนไหนอ่ะ นั่นแหละขาดตัววิ ร, ยริยะพละไม่เพียนเดินออกจากความเกียจค้านไม่สามารถเดินออกจากความง่วงไเพราะว่าไม่มีอารัปธาต์ไงเขาเราียกไม่มนติการในท่าสามตัวไม่มีความเพียนเริ่มต้นไม่มีความเพียนที่ออกจากความง่วงและความเกียจค้านไม่มีความเพียนในการที่จะพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเ็าเรียกว่าไม่มีวิริยาธาต ไม่มีสามธาตุเนี่ยไม่มีอรรถธาตุไม่มีนิกรมธาตุไม่มีปรักรมธาตุายทองไหมไงายเลยยอมก็แล้วกลับมาก็กลับมาก็ยกธงขาวยอมแล้วยอมแล้วศรัทธาพระท่านจําแนกเป็นสองประการนะศรัทธาเนี่ยเป็นปกติศรัทธากับภาวนาศรัทธา วิริยะก็แยกเป็นสองเป็นปกติวิริยะกับภาวนาวิริยะสติก็แยกเป็นสองปกติสติกับภาวนาสติสมาธิก็แยกเป็นสองปกติของสมาธิกับภาวนาสมาธิปัญญาก็แยกเป็นสองปกติปัญญากับภาวนาปัญญาก็แยกเนี้ยมันจะได้เห็นความต่างอย่างเราทั้งหลายก็มีประเภท ปกติปกติคืออะไรศรัทธาสามารถทํากุศลธรรมดาให้ทานได้ไหมรักษาศีลได้ฟังธรรมพอได้บ้างแต่เพราะยังเป็นศรัทธาที่ยังไม่ได้พัฒนาไม่เป็นพลธรรมจึงถูกตันหาครอบงำได้ไม่มีกําลังสามารถผลักดันตันหาคือความต้องการ คือความทะยานอยากออกไปได้ก็ถูกตัณหาครอบงําอยู่นั่นเองเมื่อถูกตัณหาครอบงาําก็ไม่สามารถที่จะเกิดความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าพระธระรมบรลีสงฆ์ไปต้นเนี่ยก็จะแยกลักษณะเนี้ยแต่เวลามันจะกระชันชิดเนะาะอะไรอย่าเงี้ยถ้าเดี๋ยวก็บอกตรงนี้ไว้ยอ่ยอๆก็เลยวันถ้าวิริยะเนี่ยธรรมดาเนี่ย ไม่สามารถออกจากโกสัชอกคุสนได้ให้ทานไปกับง่วงบางทีไปกัเนี่ยไม่สามารถจะออกจากความเกลียดค้านหรอกไปทําบุญกับเขามันการตาเปลือยเปลือยเงี้ยไปเงี้ยนะทำทานอะทําะเหมือเป็นไรแล้วทํากับเขาได้เนี่ยมันไม่สามารถจะออกจากโกสัชได้เลยไม่ไม่อาจทานไม่ตั้งมั่นเลยไม่ไม่ใจไม่เข้มแข็งเลย เนี่ยเาเรียกว่าปกติปกติวิรยิยะถ้าปกติสติเนี่ยนะเป็นสติที่ธรรมดาไม่สามารถจะเดินออกจากมุทถัดสติได้เอาให้เจริญให้เจริญพุทธคุณก็เจริญได้ลืมบ้างใช่ ห, หม ล, ล้วเลอะๆไปหลุดหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตั้งใหม่ตั้งใหม่อย่อยู่เนี้ยพอจะดูลมหายใจเข้าออกปืดนิดเดียวลืมไปตั้งนานอา้าวเอาใหม่ ตั้งอีกแล้วหายไปได้ลมหายใจหายไปเี้ยรักษาอะไรไม่ได้เงี้ยแต่ก็ได้ก็เป็นคนดีปกตินี่แหละนี่เรียกปกติสมาธิ ป, ปกติก็ไม่ตั้งอะไรได้นานปัญญาปกติก็คือสมาธิ ป, ปกติไม่สามารถออกจากความฟุ้งซ่านได้แต่ถ้าปัญญาปกติก็ไม่ไม่สามารถออกจากกลุ่มของสัมโมหะความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นตัวนั้นเนี้ย เราจะมีกันอย่างนี้ตลอดทุกคนมีหมดแต่เราไม่มีศรัทธาระดับภาวนาที่เข้าถึงความเจริญออกจากตัณหาววริยะระดับภาวนาออกจากโกสัจฉาอกุศลสติแบบภาวนาที่ออกจากกลุ่มมุตตสติได้แล้วก็สมาธิแบบภาวนาแบบออกจากความฟุ้งซ่านได้ความหงุดหงิดได้แล้วก็ปัญญาแบบภาวนาออกจาก ความมืดบอดเห็นรูปน้มขันห้าตามความเป็นจริงได้เนี่ยนะทะลุทะลวงกระจายคณะต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยตัวเนี้ยเราไม่มีก็ไปแยกอย่างเงี้ยพอจะจ่าประเด็นได้นะเอามีมีมอตอไปค่ะไปไหนละเอาต่อไปข้อต่อไปอ่ะ งานทางคะ่ะการปฏิบัตินะคะโดยที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนผู้ปฏิบัติก็ตามนักศึกษาก็ตามเนี่ยค่ะเขาจะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เรียกว่าตายบนอาสนะความหมายตรงนี้หมายความว่าปฏิบัติแล้วเดินหน้าไม่เป็นถอยหลังก็ไม่กล้ามีภาวะเหมือนลังเลมีภาวะ เดินหน้าก็ไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปกับเส้นทางในการปฏิบัติของเขาคืออย่างนี้ว่าสรุปก็คือว่าเมื่อการเจริญกุศลเนี่ยนะศรัทธาเนี่ยถ้าเป็นศรัทธาระดับธรรมดาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงระดับภาวนาศรัทธาการตั้งมั่นไม่หวั่นไหวออกจากตันหาไม่ได้ นี่ก็คือจุดตายแล้ววิริยะที่ที่พัฒนาแล้วมันยังมีเมืองเจือกับโกศชาคือความเกลียดค้านอยู่ไม่สามารถจะมีกําลังผลักดันโกศชาอากุศลออกไปได้ก็จะถูกโกศชาอากุศลครอบงำวิริยะอยู่คําว่าครอบงำก็คือว่าย่อมรู้ว่าความที่ทุจริตเนี่ยนะทุจริตทั้งหลายมิจฉาทิถีทั้งหลาย อบายทุกขติทั้งหลายเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดในสังสารวัฏเนี่ยอย่างมากมายก็หมายความว่าเรายังไม่พ้นจากทุจริตธุลาชีพทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยแต่เรานั้นไม่สามารถไม่สามารถที่จะปารบความเพียรที่เดินออกจากบาปปัจจุบันธรรมะลามกเป็นต้นได้เนี่ย คือจมอยู่เนี่ยรู้ว่ายังมีทิฏฐิคือความเห็นผิดรู้ว่ายังมีกายยโสจริตวจียโสจริญมโนทุจริตอยู่รู้ว่าการไปเกิดเป็นสัตว์นรกการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกายไปเกิดเป็นเปรตและสุรกายเนี่ยยังไม่พ้น <c oughs> โกสศช้าก็ยังเป็นผู้หลงยึดติดอยู่ในเสนาสนะยึดติดอยู่ในอาหาร ยติดอยู่ในเครื่องนุ่งหม่มสรุปก็คือว่ายังจมอยู่ในโลกามิตรในปัจจามิตรถ้าเป็นพระก็จมอยู่ในเสนาสนะที่เขาถวายจมอยู่ในจีวรที่เขาเาถวายจมอยู่ในอาหารแต่ละมือ้อหรือว่าจมอยู่ในเครื่องไ อ, ไอเครื่องนุ่งหม่มทั้งหลายหรือยารักษาโรคที่จมอยู่ในในปัจจามิตร อีกอย่างนึงก็คือจอมอยู่ในโลกามิตรก็คือจอมอยู่ในเอกลาบโอมาอย่างนี้มีคนยกย่องเป็นอาจารย์นี่นะจอมอีกแล้วติดอยู่คนคำว่าอาจารย์อาจารย์นี่แหละนะเข้านะเข้าพอถูกเชิดถูกยกขึ้นมาก็ติดแล้วโออาจารย์ของขรหาบดีอาจารย์ของคนนั้นคนนี้ก็ไปยึดติดอีกที่สุดก็คือจอมอยู่ในวัตามิตรออกไม่ได้ถามบกว่า ที่คําว่าตายเนี่ยแปลว่าข้อมูลไม่ถึงบางกลุ่มก็คือไม่มีอุบายวิธีในการที่จะพัฒนาให้ศรัท ธ, ธาระดับภาวนาวิริยะสติสมาธิปัญญาระดับภาวนาเกิดอย่างไรเขาเรียกว่าข้อมูลมันหมดมันเหมือนรถวิ่งไปอะใช่ไหมน้ํามันหมดหรือมันเกิดไปนอกกลางทาง หมดปัญญาแก้ไขไม่ต่างอะไรว่าบุคคลที่เรียนมาไม่ดีหรือมีครูบาอาจารย์ให้ข้อมูลไม่ถูกมันก็จะจมเนี่ยก็ไปไม่ได้ก็ติดอยู่ยงั้นเนี่มองเห็นไหมไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ถามว่าเราจะโทษไอ้ก็ต้องโทษสังสารวัตรใช่ไหม พอเราตั้งอัธยาศัยไปเกี่ยวข้องบุคคลคนนั้นก็ให้แล้วเราก็ไปชอบใจยินดีใจบุคคลที่กล่าวสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องก็ให้แล้จะว่าอย่างไรโทษอะไรดีอะโทษสังสารวัตดีกว่าใช่ไหมเนี่ยความยาวนานของความผิดพลาดนี่แหละมันก็เลยชักและจูงสัตว์ทั้งหลายให้น้อมไปหาสิ่งที่ผิดพอเจอสิ่งที่ถูกก็มองไม่ออกมองไม่เห็นไม่ฉลาดคิด มันก็ยังกระตกไปหาสิ่งที่ผิดอยู่เรื่อยเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นถ้าใครได้คำสอนที่ถูกได้แนวทางที่ถูกแล้วก็ตนเองก็มีความมุ่งมั่นด้วยแล้วในส่วนจริงก็จะไม่ติดขัดอยู่ตรงนั้นลแล้วก็จะพัฒนาจากจุดที่ติดขัดแล้วก็เดินก็สู่เป้าหมายปลายทางแล้วเข้าถึงความหลุดพ้นได้พอจะมองเห็นข้อนี้นะ เนี่ย <Yeah, S 2> ประเด็นเป็นอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเรื่องการการที่การหลงลืมสติแล้วมันแล่นเลยไปเพราะเราไม่ได้ให้อาหารเนี่ยนะสรุปตรงนี้ก็คือกม่ ม, มตันหาทั้งหมดโลพาทั้งหมดตันหาทั้งหมดเป็นปฏิปักษ์ต่อศัทธาพระละก่มโกศชะา ความเกียจค้านที่เป็นอกุศลความไม่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและการไม่กล้าปล่อยใจไปสู่การปฏิบัติให้เต็มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวิ ร, ยริยะภละกลุ่มมุทัสติคือการหลงลืมสติที่เป็นอกุศลการที่ความที่สติไม่จมดิ่งในอารมณ์ไม่รักษาอารมณ์ไว้ได้ปล่อยอารมณ์แล้วปล่อยอารมณ์เล่าไม่สามารถ รละลึกได้ตามระลึกได้อย่างเดานานขาดการฝึกฝนที่ถูกต้องอันนี้แหละเป็นปฏิปักษ์ต่อสติพละกลมวิเคษบะความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านที่เหมือนกันกับว่าความฟุ้งซ่านที่เป็นเหมือนกั บ, กบอนะไรลักษณะของความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันน้ําที่มันกระเพื่อมที่ลมพัดน่ะแล้วกิตของความฟุ้งซ่านก็เหมือนกับทง ที่ถูกลมพัดเน่ะป๊อบ ป, ป๊อป อ, ป อ, อยู่ตลอดเวาเนี่ยนะอาการปรากฏของความฟุง้งซ่านก็เหมือนกับก้อนหินใหญ่ๆที่โยนไปบนขี้เถ้าตูมมันกระจายงั้นเลยนะเหตุของความฟุง้งซ่านใกล้ชิดก็คือว่าสายใจผิดคิดไม่เป็นเนี่ยคิดวกวนสับสนนี่แหละแล้วก็กฟุง้งซ่านไปแล้วคำทอนคอนท� ò ความคิดไม่อยู่แล้วไปแล้วปั๊ม คิดได้ทั้งคืนเลยเนี่ยไอเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิพระกลุ่มสมโมหาความรุ่มหลงความมืดบอดของดวงตาคือปัญญานี่นะเขาเรียกอันทะสภาว่าเนี่ยเขาเรียกอะไรมูลหะอันทะภาละบุรุษยนเนบอดมืดแล้วก็เป็นคนพานด้วยนี่ย สภาวะที่มืดบอดไม่สามารถจะแทงตลอดตามสภาวะทำตามความเป็นยิงอันนี้เป็นปฏิบัติต่อปัญญาพละไปเนีย่ยถ้าเข้าใจตรงนี้เป็นเสร็จอ๋มันเป็นปฏิบัติกันเราจะรู้ว่าจเจริญศรัทธาออกจากตัณหาจเจริญวิทยาออกจากโกสัญชาจเจริญสติออกจากมุทตัสติจเจริญสมาธิออกจากฟุ้งซ่านแล้วก็จเจริญปัญญาออกจากความหลงความไม่รู้ตามความเป็นยิงแต่หลักการวิธีการจเจริญยังไงโอ้โนี่ขั้นตอนยาวเลยใช่ไหม ขั้นตอนเราจะให้อาหารยังไงให้ท่อน้ําเลี้ยงศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาให้เป็นศรัทธาธรรมดาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาธรรมดาให้เป็นระดับพละมีกําลังยังไงเป็นระดับภาวนาเข้าถึงความเจริญความไปบูนย่างไรที่ประชุมในมักยังไงจะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราจะต้องให้อาหารให้ปัจจัยให้ถูกนี่เราก็เริ่มรู้ใช่ไหมว่าการเจริญ ภาวนาทั้งสมถะภาวนาการเจริญสีนสมถะวิปัสนาเนี่ยเป็นเรื่องของมโนทวานวิถีใช่ไหมเป็นเรื่องของเรื่องของใจที่คิดถูกต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องหมดได้ยังปัญหาหมดได้ยังมีไม่มีท้ายค่ ะ, ะเป็นคำ คำถามที่ไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามีนักศึกษาท่านหนึ่งผูพ้พูดเองได้รับการติดต่อจากลูกสาวว่าคุณแม่ที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเรียนจบแล้วนะคะแล้วก็ป่วยตั้งแต่ประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาคือติดต่อกันไว้ว่าจะไปเยี่ยมคุณแม่ที่ชื่อว่าคุณสุพางชูโต วันศุกร์เนี่ยในฉันมีเวลาว่างคือวันที่สามธันวาก็บอกกับลูกสาวไปว่าวันที่สามธันวาอาจารย์ว่างขอให้ช่วยนัดเวลาจะไปเยี่ยมคุณแม่ด้วยตัวเองแต่เนื่องจากว่าวันที่สามลูกสาวก็ไม่สามารถเปิดเมลได้ผ่านมาถึงวันที่สี่ที่ห้าผู้พูดเองก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วเธอเสียไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อมันเป็นความรู้สึกหนึ่งนะคะมันพลาดไปพลาดที่จะทำงานชิ้นหนึ่งที่สำคัญจึงอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำพวกเราเองก็คงไม่พ้นถ้าไม่มีการฝึกเตรียมไว้นับตั้งแต่วันนี้จึงขออนญุญาตพระอาจารย์ได้ช่วยทีแนะในแง่ของการที่จะเตรียมตัว เพื่อที่จะได้เก็บไว้ให้ใช้กับตนเองหรือแม้แต่บุคคลผู้ใกล้ชิดกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะออออ ข, อขอ อ, อนะุญาตในกรณีเรื่องลักษณะนี้มาเคยมีรประสบการณ์อยู่ครั้งหนึ่งนะเ อ, อมีมีมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือมีมีผู้ป่วย อ, อ, อาการใกล้ตายเพื่อมาก็รู้จัก ก็ไม่ไม่เอ่ยนามเนละที่เธอเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันที่มาก็เออได้ข่าวก็ไปเยี่ยมเดี๋ยวมาไปดูอาการแล้วก็รู้รู้โดยโดยสังเกตอาการนะว่าน่าจะไม่รอดภายในภายในวันสองวันอามากะว่าน่าจะเอถ้ารอดวันเท่ารอดภายถ้าถึงสองวันได้ก็นนะับว่าเก่งเนี่ยนะก็คิดงั้นมาก็เลยนั่งคุยกับเธอ เธอก็ลุกไม่ไหวนอนอามาก็ฉุกคิดขึ้นในความรู้สึกตอนนั้นามามี เ, เทปเล็กๆ ม, มาก็เลยวางเทปเธอก็ไม่รู้หรอว่ามีการบันทึก mm. เธอก็พูดให้มาฟังเล่าเล่าเรื่องความเป็นมาต่างๆมีลูกกี่คนลูกและเคยทำผิดอะไรมาต่างๆเหล่ า, านี้นะกับพ่อ เป็นคนที่เกลียดพ่อเธอว่างั้นนะสมัยก่อนเกลียดพ่อมากเพราะพ่อเจ้าชู้มีแม่มีภรรยาหลายคนก็ตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกว่าในความรู้สึกก็เกลียดแต่ก็ดูแลพ่อหน่ยแต่ในความรู้สึ ก, กรับไม่ได้ต่อมาเนี่ยวันนี้เธอมาอยู่ในฐานะเป็นแม่พ่อก็จากไปตั้งนานเธอก็ไม่เห็นแม่ของเธอซึ่งอมาก็รู้จัก ก่อนที่เธอเสียเนี่ยแม่เธอเนี่ยเป็นคนที่เคารพพ่อมากทั้งๆที่พ่อี่มีภรรยาสองคนเนี่ยแต่ก็เคารพกราบเท้าทุกวันทำอะไรเงี้ยนะเธอรู้สึกว่าแม่ทำไมไปทําอย่างเงี้ยทั้งๆที่พ่อเนี่ยไม่ค่อยดูดำดูดีพวกเราเลยงเงี้ยเป็นต้นทีนี้อยู่ต่อมาพอเธอใกล้จะหมดลมเนี่ยเธอก็ระบายความรู้สึกของมธอว่าเออที่จริงเนี่ย ได้ยินที่มาเคยกล่าวว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยความเป็นพ่อเขาก็คือพ่อเนี่ยถ้าท่านจะมาทาผิดทำชั่วใดๆซึ่งเป็นเรื่องของท่านที่ทำเนี่ยนะหรือทำดีหรือไม่ดีเนี่ยนะอันนั้นก็คือเป็นกรรมของท่านนะทีนี้อย่าให้การกระทำที่ไม่ถูกใจของเราเนี่ยไปตัดรอนความเป็นพ่อออกจากใจของเรา มันคนละประเด็นมันคนละเรื่องแยกประเด็นแยกเรื่องให้ถูกเสียเมื่อแยกประเด็นแยกเรื่องให้ถูกแล้วก็คิดให้เป็นามาเคยกล่าวอย่างนี้มากอ่อนเธอก็เอาประเด็นเหล่านี้มาคิดตอนใกล้าตายผลปรากฏว่ากลายเป็นความฟุง้งซ่านว่าเธอไม่ได้ทำกิจในความเป็นลูกไอ้ตรงนี้พอเธอระบายม า, ามาก็เริ่มให้มุมคิดบอกว่าท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทากิจของท่านดำรงวงตระกูลไง ทำตนเหมาะสมไงให้สังเกตดูเราอาจจะไม่เลี้ยงท่านได้ดีที่สุดแต่เราก็ยังทำกิจโดยฐานะเป็นลูกไม่เคยทำอะไรเสียเลยดำรงวงตระกูลแล้วก็ทำตนเหมาะสมด้วยที่ท่านให้ทราบให้ฐานะมาเนี่ยและอีกอย่างหนึง่งเวลายุชีวิตอยู่ยอมก็อุทิศส่วนกุศลให้ตลอดถึงแม้ใจมันยังปองไม่ขาดใช่ไหมเธอเขาบอกใช่อมาก็บอกนั้นแหละชื่อว่าเราได้ทำเต็มที่แล้ว วาลานี้เป็นวาละที่ต้องขจัดความพุ่งสั้นด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกอามาก็บอกว่าสิ่งที่ควรทำวันนี้คืออะไรเออสิ่งที่ควรทำวันนี้คืออะไรตอนนี้สถานการณ์เราเนี่ยมันจมมากแล้วน้ำจะท่วมจะโหมกอยู่แล้วหายใจจะไม่ออกอยู่แล้วตอนนี้ชีวิตควรกังวลใครดีตั้งหลักให้ถูกก่อน เราควรกังวลใครฉะนั้นควรต้องตั้งหลักให้ถูกตอนนี้ดูซิถ้าศีลไม่มีสมาทานเสียเพราะบุคคลที่ตายด้วยการมีศีลเนี่ยจะมีสุขติเป็นไปนะเออสมาธิมไม่มีแล้วอาจจะนั่นไม่ได้ก็มันไข้ควรปัญญาไม่มีก็ไข้ควรพิจารณาตั้งศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้มั่นคงในคุณของพระรัตนตรยัย ถวายมอบกายถวายชีวิตแก่พระเจ้าจริงๆเลยฉะนั้นโรคภยัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้ถวายกายและใจแด่พระศ า, าสดาแล้วน้อมจิตถวายเป็นพุทธบูชาคิดถึงพระศ า, าสดาให้มีพระศาสดาเป็นอารมณ์ก็ว่ามาก็เริ่มให้ข้อมูลหลังจากเธอระบายนี่เแล้วก็พูดให้ข้อมูลอีกเยอะในส่วนจริงอะมาก็มาและถวนทวนคืนนั้นแหละเธอเสียชีวิต เธอเสียชีวิตต่อมาเทปมวล น, นี้เป็นเทปสมัยโบราณนูนจะยี่สิบกปีแล้วออกมาให้ให้ลูกเธอไม่มีลูกคนไหนกล้าฟังฟังแล้วร้องไห้ร้องไห้เพราะเธอจะต้องพรลานาลูกแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็เอามาก็แนะนำแนะนำแต่ข้อเธอก็ซึ่งก็หายไปแล้วเทปมวล น, นี้นี่นี้ฝากให้คิดว่าถามบอกว่า กรณีของชีวิตเนี่ยเอามาไปเจอลายหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนเนี่ยเอามาก็ไปไปเยี่ยมอยู่สามครั้งแล้วก็ไปแนะนำว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ในการลบพุ่งนะลบพุ่งจริงๆแล้วฉะนั้นถ้าถามว่าสิ่งใดๆที่เราปรารถนาที่จะจะกระทาโดยเฉพาะก็คือว่า การตั้งมั่นอยู่ในศีลเนี่ยสำคัญที่สุดว่าอย่าให้ศีลหลุดจากใจยังไงมาก็เริ่มแนะนาข้อมูลให้ถูกต้องเนะก็คือบอกว่าความทุกข์เนี่ยเวลามันถมเข้ามาในใจเนี่ยแน่นอนว่าความเจ็บปวดมันมีแน่ฉะนั้นบอกว่าด้านร่างกายแล้วบอกเราจะให้หมอเป็นผู้ดูแลให้หลานลูกหลานเป็นผู้ดูแล แต่ด้านจิตใจเนี่ยโยมต้องดูแลเองนะด้านจิตใจต้องดูแลอย่าไปกังดลกังวลในด้านของร่างกายแล้วต้องแยกส่วนนี้ออกเราต้องเราต้องบริหารใจของเราให้เป็นแล้วทีนี้กรณีอย่างนี้ก็แนะนาให้เธอรู้จักที่จะมีหลักยึดหลักยึดในทางด้านของจิตใจว่าตอนนี้ลองพิจารณาดูที่ว่าอะไรเป็นหลักยึดของเราอยู่ ไม่ใช่เป็นลูกหลานใช่มหมยังไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแล้วแต่หลักยึดของเราคืออะไรพระตะนาตรายัยสมาทานบ่อยๆสมาทานบ่อยๆใหม่ๆเนี่ยต้องอาศัยการสมาทานถ้ายังพอฟังได้รีบฟังเสียสมาทานบ่อยๆสมาทานบ่อยๆเพราะว่าเราจะต้องเจออะไรอีกเยอะบอกว่าความเจ็บปวดไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือบาปที่เกิดขึ้นในใจ ฉะนั้นอย่าให้บาปเกิดขึ้นในใจอย่าให้อย่าให้ความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเกิดขึ้นในใจก็แนะนำวิธีคิดฉะนั้นถ้าถามบอกว่าหลักเหตงการณ์ที่เราจะคิดในเวลาการเรื่องการเตรียมตัวตรงนี้ต้องมีข้อมูลไว้ต้องมีฉะนั้นถ้าเรามาตอบประเด็นอย่างระยะใกล้ๆเนี่ยอันนั้นเป็นข้อมูลที่ซึ่งจะต้องจะต้องจะต้องใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะและ อย่าไปไหว้น้ำตอนในขณะที่ไม่ได้เคยหัดไหว้นั้นชีวิตเท่าที่สังเกต่เนี่ยว่าเช่นโอ้โไม่เคยรู้เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาถ้าไปพูดเรื่องศีลก็เครียดพูดเรื่องทานก็เครียดพูดเรื่องภาวนาก็เครียดเพราะเขาเกลียดคนทุศีลพูดเรื่องศีลเขาจะโกรธ คนไม่ให้ทานเนี่ยคนตะหนีพูดเรื่องทานก็โกรธดิเราที่บอกไม่ชีถามบอกว่าไม่ชีถามบอกว่าเราจะเตรียมนั่นแหละวิธีการก็คือต้องขั้นตอนหนึ่งสองสามว่าเราจะเตรียมตัวเราเองอยังไงที่จะเดินเข้าไปสู่มรณาภัยนั้นนั่นแหละอันนั้นเราต้องมาเตรียมซึ่งก็ต้องใช้เวลาแต่บอกว่าเลยว่ากรณีที่เราจะไปช่วยคนเนี่ยมันต้องดูฐานข้อมูลเข้ามานั่นส่วนหนึ่งว่า สืบค้นข้อมูลเขาว่าเออถ้าเรานําเรื่องนี้ไปพูดจะทําให้เกิดภาวะความเครียดเกิดขึ้นกับเขาหรือไม่เป็นสาคัญมากเนะี่นี่สำคัญนะก็กดูข้อมูลได้ชัดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะเพราะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเท่าที่เอามาสังเกตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปเราแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยใหม่ๆเขาเล่าความฟุ้งให้ฟังแล้วก็กลับมาใหม่กลับไปใหม่อยู่เนี้ยจนได้จังหวะเมืออ่อไหร่เราถึงจะให้ข้อมูลได้ ฉะนั้นอย่างพวกเราทั้งหลายอย่านรอวันนอนบนเตียงเด็ดขาดวันนั้นไหว้น้ำไม่ทันแล้วมันมีแต่จมอย่างเดียวเตรียมนะวินาทีนี้เมื่อไปถึงวันนั้นเราจะได้นอนยิ้มบนเตียงคนเดียวนอนยิ้มบนเตียงคนเดียววันนั้นต้องเป็นอย่างไง บบกราบนมัสการขอพระอาจารย์ช่วยนําแล้วก็อุทิศสรร่วนกุศลให้กับคุณสุพางส์ด้วยค่ะวันนี้ผูพ้พูดพร้อมกับกัญญาณมหิดจะไปงานศพเธอที่วัดมกุฎค่ะในเย็ น, น <สา S 1> วันนี้ค่ะาการการอุทิศส่วนกุศลให้อุทิศแบบรวมอย่าเจาะจงแต่เราน้อมได้นะน้อมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณสุพางชูโตพร้อมทั้งสรรัตพสัตว์ทั้งหลา ย, ยาได้นะเอต่างใจอุทิศส่วนกุศลกันสัตว์ตวทั้งหลาย ไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนับบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำนับบัดนี้โดยเฉพาะโดยเฉพาะ คุณสุภาง์ชูโตคุณสุภางชูโตพร้อมทั้งสัพพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งสัพพสัตว์ทั้งหลายคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดเพึ่งจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณมีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีมีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็น ้หหรือไไม่ดดเ็็นกีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวียนกันก็ดีหรือเป็นคู่เวียนกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาอยู่ในภูมิทั้งสาอยู่ในกำเนิดทั้งสี่อยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันขันเดียว มีขันธ์สี่ขันธ์มีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดสัตว์เหลา่าใดโดยเฉพาะโดยเฉพา ะ, ะ, พาะคุณสุ DIA สพางชูโตคุณสุพางชูโตพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งสรัรพสัตทั้งหลายรู้ส่วนบุญกุศลรู้ส่วนบุญกุศลขอให้อนุโมทนาเองเธอขอให้อนุโมทนา ส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ เ, ผเข้าถึงความสุ ข, ข, สขกล่าวคือพระนิพพา น, านความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้ น, ง น, นจงสำเร็จเธอจเจเธอสาุสา